เดือนธามอ่าวันนี้เป็นวันพระพระก็จะมีกิจกรรมลงปลาดิโม่กันญาติโ ย, ยมที่มาปฏิบัติธรรมเป็นกิอกรรมเดือนวันนี้ก็เก็บอารมณ์กัน จะไม่ได้ทำวัดเด่อนไม่ได้ทำวัดก็เพื่อจะให้อยู่กับตัวเองตัวกายตัวใจตุกสติให้สติเ ต, ต่นขึ้นมาให้ได้ก็จะมีพระไปเดินด้วยภายในวัดส่วนใหญ่เรจะมีกิจกรรมอะไรกันอยู่แล้วก็ พระที่ไปปฏิบัติก็ต้องลงปฏิโม่กันอย่าจะได้อยู่กับตัวเองเดย๋่วตัวไปตัวใ จ, วใจความเป็นพระามาอยู่ที่ความรู้สึกตัวส่วนพระสงที่โกลหัวกันก็บทบวสึกสึกเมื่อวานจะสึกไปเห็นพระว่า บน่บนๆว่าคนในอยากออกคณ น, นอกอยากเข้ามาข้างในก็อยากจะออกคนข้างนอกก็อยากจะเข้ามันก็จริงก็เป็นแบบนั้นล่ะมีนิมิตให้นาบิบลได้มีเพื่อนก็คือหุน่นลูกปั้น1ิ๊สี่จังหวะมีพะเพื่ธรูปเป็นนิมิตไหม ทีลาหนิงคงมีความเงียบสิ่งแวดลอ้อมมีต้นไม้มันก็จะเห็นกฎของธรรมชาติรอบๆตัวมากมายแล้วก็ในตัวเราด้วยกฎของธรรมชาติรูปรสกลิ่นเสียงผดทรรับพะธรรมลมการสัมผัสกระทบ เขาเรีกว่าผัดษนะคับสาศาสนาผัดษัการกระทบสัมผัสพลาเราพื้นของทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนมันจะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นไหมพอทบเจ็จคิดปรุงแต่งคิดแบบเก่าๆนะคิดแบบเดิมๆ คิดอย่างนั้นก็คิดแบบนั้ น, น, นอ่รมณ์องมันเป็นอย่างนั้นแต่เรามีสติมีความรู้สึกตัวออกมาจากความคิดเห็นความคิดเห็นธรรมชาติของจิตเดิมๆเป็นปกติเราจะรู้เท่ า, ร, ารู้ถันอารมณ์เกิดการปล่อยการวางเฉยๆขึ้นมาที่กะเฉยรู้ที่กะรู้แล้วก็เฉยใ ห, ใหม่ๆมันรู้มันเฉย มันรู้แล้วมันเฉยพอใจมันเฉยๆนานๆครับมันก็เฉยแล้วก็รู้มันรู้ในรู้นอกมันรู้นอกรู้ในมีเครื่องอยู่อยู่วามเป็นปกติธรรมรู้สึกตัวเป็นปกติรู้สึกตัวเป็นปกติรกตเรา ก, ก็คงตรงนี้แหละจนปกติมันเด่นเป็นมหาสติ มหาสติมันเด่นความเป็นปกติประชัยมันโยงยาวนานมันมีที่อยู่มันมีอาการมากระทบมันก็คนละเรื่องกันนาทีขเราคืรู้สึกตัวนาทีของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินาทีข อ, ง, อ, องเราตามสมมตรรุติบัญญัติตามปรมาถะบัญญัติมันมีของมันอยู่ ทางสมมุติมันหยติท่านปรมาจิบัญญยัดสมมุติก็เป็นสัจจะปรมาจิก็เป็นสัจจะมันเป็นความจริงที่เดือเลี่ยนกัน ไ, ได้มันมีก็มันอยู่อย่างนี้แหละกฎของธรรมชาติเราก็จึงได้เห็นนะนะได้เห็นอยู่วันหลายวันแล้วก็เราได้เห็นตัวเองอในกรอบในขอบในเพต ของรูปแบบการปฏิบัติของสถานที่ปฏิบัติมัก็จะมีพัฒนาการเกิดขึ้นมาให้เราได้รู้จักธรรมชาติของกายของใจของชีวิตเราจะได้มีชีวิตชีวามีพลังพึงเพี่นได้ให้คนอื่ น, นพึงได้ไ่ได้นะท่าชมการงใจลับ พ, พรประสงทั้งตัวให้พร